الحمد لله رب العالمين اللهم صل و, و, و س م ل م وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ألهمنا رشدنا واعدنا من شرور أنفسنا اللهم زدنا علم ا อุณกา بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمةك يا أرحم الراحمين الحمد لله شكرنا อบระองค์ سبحانه تعالى สาหรับวันทีที่บารกัดของค่าคืนวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายของปีนี้ตามปฏิทินสุริยคตินะครับก็พรุ่งนี้ก็เป็นวันอะไรอะ เขาเรียกโอวันปีใหม่นะครับซึ่งวันอะไรนะเขาดาวเราไม่ต้องกลับไปวันนี้เราฮะลักรกเขาดาวของเขานื้อะไรนะสวดข้ามปีใช่ไหมเราฮะลักรข้ามปีเเละอิละฮะอิลล allah นะครับสุภาน Allah วันนี้ผมนั่งดูจริงๆแล้วกะว่าจะพาหนังสือมาให้ดูเล่มหนึ่ง เอ่อเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ก็ไม่ไม่ข้อมูลที่เราได้รับฟังมาเนี่ยโดยส่วนตัวผมเองไม่ค่อยถ น, นัดหรือสันทั์ในเรื่องของประวัติศาสตร์เป็นคนที่อ่อนในเรื่องของประวัติศาสตร์มากไม่ค่อยจาปีไม่ค่อยไม่ค่อยชอบวิชาประวัติ ที่เกลียดจำความจำระยะสั้นไม่ค่อยจำอะไรนานๆก็เลยไม่ชอบไม่ชอบวิชานี้แต่ก็อ่านอ่านอ่านบ้าง น, นะครับเพราะฉะนั้นที่จะมาบอกเล่านี่ก็คือเป็นสิ่งที่รับฟังมาจากคนอื่นนะครับไม่ได้ไปค้นหามาเองเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเฉลิมฉลองวันหนึ่งวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเนี่ยเดิมทีแล้วมาจากาประเทศสเปน หรือคริสเตียนสมัยสงครามครูเสดนะครับตอนที่ชาวคริสเตียนขับไล่ชาวมุสลิมออกจากประเทศสเปนสมัยก่อนนั้นสเปนเคยเป็นดินแดนที่ชาวมุสลิมเคยเข้าไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองชื่อของมันเนี่ยอิสลามในประเทศสเปนเนี่ยจะมีชื่อว่าอันดาลุสเป็นที่รู้จักนะครับอันดาลุสเนี่ยเป็นดินแดนแห่งความเจริญ สมัยก่อนยุโรปยังอยู่ในยุคที่เขาเรียกว่า dark age ยุคมืดซึ่ง เ, เป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าผู้ที่ทำให้โลกยุโรปดินแดนยุโรปได้รับแสงสวา่างหรือเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคการฟื้นฟูศิลปะอุทยาการหรือยุคเรเนซองต์หือยุคเรเนซอง์ก็คือมุสลิมที่อพยพเข้าไปอยู่ในสเปนแล้วก็ไปสร้างความเจริญต่างๆ นานมากมายนวัตกรรมต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นและที่เราใช้อยู่ทั่วโลกใช้อยู่อย่างอย่างอย่างเป็นสากลทุกวันเนี้เกิดมาจากผลงานของชาวมุสลิมที่ไปสร้างอรารยธรรมให้กับมุสลิมให้กับชาวยุโรปนะครับยกตัวอย่างเช่นเอาง่านมันมีเยอะมากนะที่เขาบอกว่าสมัยที่ไม่ใช่เวลาน้อยๆ น, น, นะครับอิสลามเข้าไปอยู่ในสเปนเนี่ยไม่ต่ำกว่าแปดร้อยปี ให้ตางกว่าแปดรอยปีไปสร้างทุกวันนี้ก็ยังมีร่องรอยร่องรอยที่เหลืออยู่ทุกวันนี้เนี่ยนับว่าน้อยมากถ้าจะเทียบกับที่อันดาลุสเคยสร้างให้กับสเปนเพราะว่าถูกทําลายหมดตอนที่ครูเซยยกทัพมาทําลายเนี่ยทําลายจนกระทั่งไม่เหลือเหลือนิดเดียวตอนนี้นะครับพระราชวังแดงเคยได้ยินไหมฮะพระราชวังแดงอะไรอีกเอ่อ มัสยิดใหญ่คอร์โตบานะครับทั้งหมดนี้เป็นร่องรอยที่ชาวมุสลิมในสมัยอันดาลุสเคยสร้างเอาไว้ให้กับสเปนแล้วก็หนังสือที่ผมบอ ก, มกเมื่อกี้เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักบุรพาคดีชาวเยอรมันเป็นผู้หญิงเป็นคริสเตียนนะครับไม่ใช่มุสลิมหนังสือภาษาอาหรับมันมีชื่อว่าชัมสุลอารับตะสัะงอัลลกรบี แปลเป็นภาษาไทยถ้าจะแปล ง, ง่ายๆก็คือดวงอาทิตย์แห่งพระผู้เป็นเจ้าหรือดวงอาทิตย์แห่งอารักษ์สากแสงส่องสว่างให้กับโลกตะวันตกเอาโลกตะวันตกอยู่ในยุคมืดพรอพราะอิสลามมานี่เหมือนกับแดดดวงอาทิตย์มามาส่องให้เห็นแสงสว่างกับชาวตะวันตก น, นี่เขาเขียนเขาเล่ารายละเอียดมากเลยนะครับความเจริญในยุคแอนดาลุสตีมีอะไรบ้างนวัตกรรมในเรื่องของการเกษตรในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของสถาปนิกอุลมามะทั้งสายทางโลกสายทางศาสนาเนี่ยเขาเล่าอธิบายมาหมดเลยสุาพระนามเราเป็นชาวมุสลิมเนี่ยเรายังไม่รู้เรื่องถึงขนาดที่คนเหล่านี้เขารู้เกี่ยวกับอันดาลุส เขารู้เรื่องเยอะมากกว่าเรา เ, ออเขาวิจัยมาหมดแล้วสิ่งที่ผมชื่งอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเขาบอกว่าสิ่งปัจจัยที่ทำให้อันดาลุสเจริญรุ่งเรืองมากถึงขนาดนี้หนึ่งในจำนวนที่เป็นปัจจัยสำคัญมากเลยก็คือชาวมุสลิมเป็นคนที่ชอบเรียน ศึกษาหาความรู้ให้ความสําคัญกับการศึกษาหาความรู้ผู้นําผู้โดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นําผู้ปกครองในสมัยอันดาลุสเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่ชอบความรู้มากเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ชอบเรียนสนับสนุนนักวิชาการจ้างนักวิจัยนักวิจัยไปทํางานวิจัยไปทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคนที่อ่านงานวิจัยเป็นคนแรกก็คือก็คือผู้ปกครองคือคนที่เป็นผู้นํา ผู้นําประเทศอเป็นคนแรกเลยที่อ่านงานวิจัยที่นักวิจัยไปทําวิจัยมาเ <c oughs> ชื่อหรือเปล่าครับว่าหนังสือทั้งหมดผมจำไม่ได้าเชื่ออะไรแต่เขาบอกเขาระบุในหนังสือาบอกหนังสือทั้งหมดที่ผู้นำชาวมุสลิมสมัยอันดา ล, ลุสเนี่ยอ่านทั้งหมดพี่น้องคิดว่าเฉพาะหนึ่งคนนี้นะนะชื่ออะไรไม่ได้ไ ม, ไม่จำได้ไม่จําชื่อไม่ได้ รู้ทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขาอ่านหนังสือทั้งหมดกี่เล่มเพราะเรานับได้ไหมว่าเราอ่านหนังสือทั้งหมดกี่เล่มตั้งแต่ที่เราอ่านหนังสือได้จนกระทั่งทุกวันนี้ให้ choice เลือกเป็นเลขเป็นหลักก็แล้วกันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นพี่น้องคิดว่าอยู่ในหลักอะไรอ่านหนังสือเยอะมาก อยู่ในหลักอะไรคงเดาไม่ถูกเยอะนะครับลอ ง, ต, องต้องไปอ่านดูอ่าหนังสือทั้งหมดคนที่เป็นผุ้นำเนี่ยอ่านหนังสือทั้งหมดสี่แสนเล่มสี่แสนเล่มตลอดทั้งชีวิตเราอาจเราจะถึงกี่กี่กี่สี่สี่อะไรเราสี่ร้อยเล่มมีถึงไหมเลทถึงหรื อ, อยังเนี่ยเรานี่อ่านหนังสือสี่ร้อยเล่มถึงไหม หอว่เล่มถึงสี่สิบเล่มอ่านหนังสือนี่คือมูลเหตุที่ทําให้อยู่กับเขาเรียกว่าบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ถ้าในอุลามะใ น, ในในในสายอิสลามเนี่ยใครที่เรียนศาสนาในจะรู้จักดีอุลามะตับเซรเองก็มีอุลามะตับเซรที่เป็นนักตับเซรที่ขึ้นชื่อในยุโรปนั้นก็คือ Al อัลกูรตูบีอัลกูรตูบีอ่าอะไรนะ Ja, Jamiul Ahkam, tafsir Jamiul Ahkam Kong, ciri temu sejarah tafsir Kong. Al Qurtubi, Qurtubi macam apa? Qurtubah, mengkardoba. Nah, penting rujuk pada tafsir Al Qurtubi. Lepas itu kita nak tafsir Abu Hayyan. Abu Hayyan Al Andalusi, Al Andalusil. Nah, ini adalah perjalanan runcing. Di sini, ketika Crusade, mengkapalai Muslim pergi d a r s e p a n วันที่หนึ่งมกราคมปี1น4 2พันเก้าร้อยสี่สิบสองเป็นวันสุดท้ายสำหรับมุสลิมชาวออนดาลุสโดนขับไล่โดนฆ่าโดนทำลายทุกอย่างเป็นยุคที่เราแม้กระทั่งชาวคริสเตียนเองเนี่ยอธิบายไม่รู้จะอธิบายยังไงถึงความเหี้ยบโหดของกองทัพครูเสดที่เข้ามาเขนฆ่าประชาชน ชาวมุสลิมที่ต่อต้านอะไรนะคาทอลิกคริสเตียนคาทอลิกมีตัวเลือกอยู่สามตัวเลือกหนึ่งเข้าเป็นคาทอลิกสองออกไปจากประเทศสามตายไม่มีตัวเลือกอื่นอันนี้คื อ, อยุคที่เขาเรียกว่าอะไรนะยุคการล่มสลายของมุสลิมอันดาลูซิ่งทุกปีเขาจะมีการเฉลิมฉลอง วันที่หนึ่งมกราคมก็ไม่รู้นะครับว่าไอ้ที่ฉลองกันทั่วโลกเนี่ยใช่มาจากเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่ที่แน่ๆก็คือมันเป็นการตอบย้าอะไรบางอย่างที่เจ็บปวดกับกับเราหรือเปล่าแล้วเราไปาเราจะไปฉลองกันอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหตุการณ์ที่เราพูดถึงนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่เราจะไป เอ่อเข้าดาวหรืออะไรอย่างที่บอกนะครับว่าอิสลามเนี่ยแม้กระทั่งปีใหม่ฮิจรัชเองเนี่ยก็ไม่มีอะไรเราเคยบอกไปแล้วตอนที่เริ่มวันที่หนึ่งมคจรนะครับนับภาษาอะไรกับวันปีใหม่ที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอิสลามเลยแม้แต่น้อยแล้วมันมีมูลอย่างมากว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับศาสนากับพิธีกรรมกับการเฉลิมฉลองของคนในศาสนาอื่นซึ่งเป็นบทบัญญัติที่อิสลามชัดเจนว่ามุสลิมไม่สามารถที่จะไป เป็นแบบได้นะครับอะไรที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนอื่นไม่อนุญาตนะครับไม่อนุญาตให้เราไปไปร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเขาได้นี่คือที่มาทะไปลองกลับไปศึกษาดูนะครับ มีในคลิปใน YouTube ยาวประมาณหนึ่งชั่วโมง40นาที40หรือถึง50านาทีเป็นคลิปภาษาอังกฤษเป็นสารคดีที่ดีมากเลยอ uh, l a n d a l u s history of islam spain us, mm hmm. อ n d a l u s เขาเรียกอย่างนั้นเลยอ l a n d a l u s ประวัติศาสตร์ของอิสลามในประเทศสเปนนะครับเป็ น, ปนไม่ใช่มุสลิมนะครับทำสารคดีนี้เขาทำดีมากด้วย น่าจะมีคนมาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็จะได้ดูกันทุกคนเราจะได้เห็นถึงความอลังการความเจริญรุ่งเรืองในยุคที่ชาวมุสลิมนั้นเป็นเจ้าของนะพวกเราหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้าตัวเลขเนี่ยรู้ไหมว่าใครเป็นคนคิดเนี่ยตัวเลขที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยพงทีเรายังไม่รู้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลงานของใครอ่ะ ร, รู้ปาครับตัวเลขนี่ใครว่าตัวเลขอะไร เลขอาหรับอาหรับกคืออะไรอ่าหรับกก็คืออาหรับเลขเนี่ยคนอาหรับเป็นคนคิดถ้าไม่มีตัวเลขนี้นะไม่มีคอมพิวเตอร์ให้เราใช้เพราะตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยสูตรคูณต่างๆเอ็กเซบัญชีต่างๆตลาดหุ้นตลาดหุ้นเราใช้กันหมดเนี่ยเอามาจากนี้ตั้งแต่เลขศูนย์โดยเฉพาะเลขศูนย คนโรมันจะไม่รู้จักเลขศูนย์โรมันเวลาเขียนตัวเลขเขาเขียนยังไงไอไอไอพอถึงเลขห้าตัวอะไรฮะวีทีนี้ถ้าเราจะเขียนห้าพันอจจะเขียนยังไงเ <c oughs> ขียนห้าพัน 5, ต้องใช้วีกี่ตัวยาวมากเลยแต่พอมาใช้ตัวเลขอารบิกห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สามจอก็จบเห็นไห ม, มครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆน้อยๆว่า อิสลามมีผลงานอะไรบ้างให้กับโลกนี้แต่เนื่องจากว่าปัจจุบนันอิสลามไม่ได้อยู่เป็นผู้นําเราถูกเรียกว่ามันเป็นอย่างไงแล้วครับสุนนัตุลลอฮ์กฎเกณฑ์ของอัลลอฮ์เมื่อไหราก็ตามที่เราอ่อนแอคนอื่นก็จะมาก็จะมานําเราแล้วเวลาคนอื่นนําเราเขาไม่ได้เอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์มานำภาพมันก็เลยเกิดอย่างที่เราเห็นนะตอนที่อิสลามนําโลก islam ไม่เคยบังคับใครให้รับอิสลามให้นับถืออัลลอฮ์สุบฮาวตา่างไม่เคยบังคับหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าอิสลามไม่บังคับในเรื่องของการนับถือศาสนาก็คือมุสลิมในประเทศเอเชียตอนออกเฉียงใต้ทั้งหมดไม่เคยมีสงครามศาสนาอิสลามมาถึงที่นี่ไม่ได้มาด้วยสงครามแล้วทำไมประเทศอินโดนีเซียกลายเป็นมุสลิมทั้งประเทศ อ่ะนี่คือหลักฐานว่าแต่ทําไมตอนที่บรรดาชาวยุโรปออกมาล่าอนานิคมออกมาล่าอนานิคมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งผมเองก็เล่าให้ละเอียดไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะครับพวกเราต้องกลับไปหาเองนะครับบางคนชอบอ่านประวัติศาสตร์เอามาเล่าเอามาเล่าให้ฟังด้วยนะเวลาที่ใครอ่านแต่เราก็ต้องอ่านนะครับเพราะว่า การเรียนปรัชญศาสตร์นั้ความสําคัญของมันก็คือว่าเราจะได้เรียนรู้รากเหง้าที่มาที่ไปหลายๆอย่างเพราะว่าเหตุการณ์ในปัจจุบันมันเกี่ยวโยงกับอดีตและบางทีอาจจะเป็นตัวกําหนดอนาคตได้เราปฏิเสธไม่ได้เราจะบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตไม่ได้เลยนะครับมันเกี่ยวข้องอย่างแนบแน่นนะครับทุกอย่างาไม่มีอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอดีตทุกอย่างเนี่ยมันมีอดีตหมด มันมีประวัติศาสตร์มันหมดแนกระทั่งเรื่องที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเราไม่คาดคิดเรื่องที่เกี่ยวข้องในชีวิตของเราในแต่และ ว, วันเนี่ยเรื่องเงิ น, เ, นเราชอบที่สุดเลยสมมตินะเรื่องเงินเรื่องธนบัตรเรื่องหุ้นเรื่องธนาคารซึ้งมันเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถจะหนีพ้นในโลกยุคนี้ลองกลับไปสาวดูสิไอ้ระบบธนบัตรมันมาจากไหนไอ้ระบบธนาคารเนี่ยมันมาจากไหน ปรัติศาสตร์มันจะชี้ให้เราเห็นว่าอ๋อจริงๆแล้วมันมาจากไหนมันมีตัวละครกี่คนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการเปลีป่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบันเนี้ยตัวละครที่เคยเป็นมาในอดีตแล้วก็ยังคงมีร่องรอยของมันจนถึงทุกวันนี้และจะมีร่องรอยต่อไปไม่จบไม่สิ้น น, นนี้เป็นเรื่องแปลกอันนี้เขาบอกเป็นเป็นเรื่องมหารย์ของการกําหนดของ Allah Subhanahu ะ a Taala แล้วเวลาที่เราเรียนอดีตผ่านมาที่ผ่านมาเป็นยังไงพอเราไปเรียนอนาคตอนาคตตามที่อัลกุรอานได้ระบุไว้ล่วงหน้าท่านรัซูลได้บอกไว้ล่วงหน้าเนี่ยมันจะสอดคล้อง ม, มากแทบจะคือมันเป็นมันต้องเป็นไปตามที่ท่านอับดีบอกอย่างแน่นอนถ้าเราดูจากจากปรติศาตร์แล้วเนี่ยมันจะไปทางเนี้ยมันจะไปทางที่ท่านอับดบีบอกมันมันไม่สามารถที่จะไปทางอื่นไนดะ้เราต้องเรียนด้วย บระติสตร์เราก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องเรียนอนาคตอนาคตก็คือหัตติต่างๆที่พูดถึงอารามัตเกียรมัตโลกสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นยนี่เป็นสิ่งที่แปลกแปลกมากๆเลยมันไม่ผิดเพี้ยนไปจากที่พระอัลลอฮฺไม่รู้จะบอกยังไงนะไม่รู้จะบอกยังไงว่าแต่พวกเราได้มั่นใจว่ามันต้องเป็นไปอย่างนี้แน่นอนทฤษฎีไม่ว่ากี่ทฤษฎีที่นักอุตสาหะคิดนักสังคมศาสตร์คิดนักเศรษฐศาสตร์คิดเนี่ย มันเป็นไปตามทันลองที่รัฐละกีดเอาไว้ก็จะต้องเป็นไปทางนี้อย่างแน่นอนมันหลีกไม่พ้นรัฐละกําหนดไว้แล้ววันเทียมัตจะต้องเกิดแบบนี้แบบนี้คอยดูนะคร <c oughs> like ับสักวันหนึ่งถ้าเราทันถ้าเราทันอ่าอูซูบินละฮามิเดลิกจากฟิตรณะต่างๆในโลกยุคสุดท้ายนะครับอัลลอฮฺถ้าละละเอามาอ่านกันต่อนะครับเรื่องราวของขันนบีนูฮฺอะเลฮิสสลามจริงๆเราสุรษูรห์นูฮฺเนี่ย ถ้าจะอธิบายเนื่องจากว่าเนื้อหาของมันชัดเจนมากนะครับเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับเป็นเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันซึ่งน่าติดตามไม่ต้องอธิบายมากเราเราฟังเรื่องที่อาาลาตะอลาเล่าให้เราฟังแล้วก็ถอดบทเรียนจริงจริงแค่นั้นก็น่าจะมีประโยชน์มากแล้วสําหรับเรานะครับอี่เชาโลมาดูกันนะครับวันนี้อายัด ท, ที่อายัด ท, ที่ห้าเป็นต้นไปนะ อย네่าที่ห kind of ้าลเริ่มเข้าเรื่องที่ท่านนบีนุได้ดาวัลละนะครับอย่างที่ห้านะครับอ ع و ذ بالله من ا ل ش ي ط قَالَ ทَ و รับบีอินนิดา่อตً ا วอมีลยลวนหารัَัลบَน ي ชัวรัศัลบีนิชัวรัศ ا ลบี ر ا ر ً ا <chat> وإِنِّي كُلَّمَا دَعوْتُهُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ جعلوا أصابعهم في آذانهم ِ واسترشو ف َ و ْ ه م แَ้ ب َอาฝ่ เตบารุสติคบาราทุ่มม์อิน ثم َّ إني أعلىت ُ لهم َ وأسررت لهم ُ إصرارا <ت ص> فقل <في> تُستغفِرُ رَبَّ บักุมอินน um> ุเขาเคนวัฟฟาระมะบุลุสซาลิรุอ uh ัลกุบะตุนีนิฮุบุลลาอัลลอฮฺ alhamdulillah ข้าว่นีเ่เป็นตุวมอ้ายต ที่สองนะครับหลังจากที่เราเรียนไปแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานตะละในตอนต้นของซ ah ุ uh, รห์นุสพระองค์ได้ประกาศว่าพระองค์ส่งท่านนาบีนุฮ์มาและก็สั่งให้ท่านนาบีนุฮ์นั้นทํางานเรื่องเล่าของนบีนุฮ์เนี่ยเป็นเรื่องราวของท่านนาบีนูฮ์อะลัยฮิสซาลามถ้าจะพูดถึงในจารึกประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ เราสามารถที่จะพูดได้เลยว่านบีนูฮ์เนี่ยเป็นนบีคนแรกที่ทำงานด่าวะอย่างเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบยังไงเต็มรูปแบบในที่นี้หมายถึงว่าเต็มรูปแบบในเรื่องของการที่เชิญชวนมนุษย์กลับไปสู่ลอสฺอลลอฮฺซุบฮานะฮวะตะาละเพราะก่อนน้นนี้ มันเป็นเรื่องคลิาชกันอยู่นะครับว่าก่อนหน้าที่ท่านนาบีนุชจะมาเนี่ยมันมีชีริกอยู่ก่อนแล้วอะไรหรือเปล่านะครับหนึ่งพัน 1, ปีระหว่างอาดัมกับนบีนุชอุลมามะบางหลายท่านก็มีความเห็นว่าหนึ่งพันปีนี่ยังไม่มีชีริกจนกระทั่งว่าเกิดชีริกนี่แหละนบีนุชจึงมาก่อนหน้านั้นยังไม่มีนะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อครั้งที่แล้วว่ายังมีคลิาชกันอยู่ระหว่างอิดริสเนี่ยเกิดก่อนนุชรว่าหลังจากที่ท่านนาบีนุชมาแล้ว อย่างไรก็ตางนะครับนบีนูห์เน uh, ี mi ่ยเป็นนบีคนหนึ่งที่อัลลอลาพูดถึงอย่างยาวมากเป็นหนึ่งในจํานวนรอซูลที่เราเรียกว่าอูลลลอัจมีมินะรุสูลอุลลอัลอัจมีในจำนวนรอซูลทั้งหมดนี่มันจะมีอยู่ห้าคนห้าคนรู้สี่คนลองนับสินูห์ที่เป็นอูลลลอัจมีอูลลลอัจมีมินะรุสูลนูห์อะลัยฮิสซลา อิบรอฮีมมูซอซามุฮัมลลัลลอทั้ง5คนนี้เนี่ยทั้งจากมีความพิเศษก็เลยได้ได้รับการยกย่องจากอัลเาะุบฮานวะตะาลาว่าเป็นอุลุลอัมีซึ่งพอเราไปดูเรื่องราวของท่านนบีนุหจะเห็นว่ามันพิเศษจริงๆพเราทรหดมากการดะว่าของท่านนะครับนี่คืออ เหตุผลที่ว่าทําไมอัลตัลลาจึงต้องเอาเรื่องของนบีโนมาให้อุมมะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลหละสัลลัมให้เรียนรู้เนะพื่อที่จะเป็นกําลังใจว่าเราจะทํำยังไงในการรับใช้คําสั่งขอล Allah นะตุ่มอายัดแรกนี่เป็นคําสั่งของ Allah พอมาถึงอายอะหนึ่งถึงสี่นี่เป็นคําสั่งของ Allah พอมาที่ห้าอายัดที่ห้าเป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการร้องเรียนของาศาสดาทูตของ Allah นุ่งัลฮิสลามหลังจากที่อัลลอฮ์สั่งเสร็จเรียบร้อยนุก็ทำงานทำงานไปพอเริ่มทำงานปุ๊บเจอครับอะไรครับเจอกับผลเอา้ามันรับคำสั่งเอา้าลงพื้นที่สิเวลาที่เรามีคำสั่งจากเจ้านายมาเอา้าลงพื้นที่สิพอเราลงไปทำงานปุ๊บเราก็ต้องราย ง, งานให้บอสของเราทราบ วัน ล, ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยเจอกับอะไรบ้าง น, านี่คือการร้องเรียนของนูฮ์อัลฮิสลามหลังจากที่ทํางานเสร็จแล้ ว, วบบ ا. أ โอ้พระพู้อภิบาลของฉั น, น บ, บินลงไปกล่าวนะครับว่าแท้จริงฉันได้เชิญชวนกลุ่มช น, ชนของฉันสูนสน่การศรัทธาและเชื่อฟังต่อพระองค์ทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ไม่ใช่8ปดชั่วโมงเหมือนเราในกลางวันด้วยกลางคืนด้วยไม่ใช่ว่าพอเวลากลางคืนปิดประตูหมดอ f ฟฟิศเอาหมดแค่นี้เวลาทางานหมดแค่นี้ไม่ใช่ไหล่ะวันห้ารอไม่ใช่ว่าทางานนิดนึงแล้วมาร้องเรียนไม่นะทําจนเต็มที่แล้วเกิดผลมายังไงค่อยมาร้องเรียนต่อ Allah s u b h a n a h a t l a ล, อออละอิลฮะอิะลล ฟัลมยิ่งดูหมดูอาีัลลัฮิราแต่ว่าการชนชวนของฉันไปสู่การศรัทธานั้นไม่ได้เพิ่มสิ่งใดให้พวกเขาเลยเว้นแต่พวกเขากลับยิ่งหนีห่างและผินหลังให้ س ب ح า ن อัลลอฮ์นี่คือเป็นการอธิบายของอัลลอฮ์ س า ح ا ن ตาแล้วว่าความดื้อรั้นของพรกพวกของท่านนาบีนุนี้เป็นยังไง ท่านอับดุลาห์ที่งานทั้งวันทั้งคืนไม่เกี่ยงนะไม่ใช่ว่าพอเวลากลางคืนแล้วไม่ทํางานไม่ได้ไปได้ว่ากลางคืนถ้ามีคนอยากจะฟังก็งไปพูดให้ฟังนะมีโอกาส ต, ตอนไหนก็สามารถที่จะพูดให้ฟังได้นะครับซึ่งมันะเป็นการกินได้เพว่าท่านทํางานอย่างเข้มแข็งแต่ว่าแม้ว่าท่านจะทาํางานยังไงบรรดาคนที่ไม่ยอมรับศรัทธา ท่านละอุสุบฮานะตนะอาลาก็ยังคงถ้ะลมยิ่ิดิ่งดูอ้าอิลลาฟิรารหนีหนีห่างจากนบีนุ่์อะลัยซลลัมถ้าเราไปดูในสุรห์อื่นๆหรือถ้าเราไปดูในหนังสือประวัติศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องเล่าของนบีนุ่์เนี่ยเราจะเห็นภาพบรรยากาศหรือว่าสภาพของชนกลุ่มชนของนบีนุ่์นะครับ ที่พยายามนี้ออกจากการดะวักของท่านนาบีนุ่นเนี่ยแปลกมากเลยเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนบีนุ่์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนของท่านเท่านั้นคือคนในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะดูไกลไปไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนหรือพรกคพวกที่ไม่ได้เป็นญาติกันตอเราไปดูในสุระที่อัลกัลลาพูดถึงเนี่ยสุระพูดหรือล่าลูกชาย ตอนที่เกิดอะไรนะน้ำท่วมใช่ไหมฮะน้ำท่วมจนสุดท้ายแล้วเกิดน้ำท่วมเนี่ยลูกชายเองเนี่ยไม่ศรัทธาต่อพ่ออันนี้เป็นบททดสอบเหมือนกันไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเป็นตตครูเป็นอาจารย์สิบห้านาฬิกาเราจะไปเราจะไปวิเคราะห์ว่าลูกของโตครูจะต้องเป็นเหมือนโตครมูมันมันบอกไม่ได้ เหนื่อยมากนะครับคนเป็นโตครูก็ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะกับครอบครัวของตัวเองต้องมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเราอย่าไปอ้างนะเวลาที่เราไปเห็นโอ้ทําไมโตครัวโตครูนี่เป็นแต่สอนคนอื่นทำไมคนในครอบครัวไม่สอนมั่งหรือไม่ประสบความสําเร็จมั่งเป็นเรื่องปกติครับเราจะไปอ้างอย่างนั้นไม่ได้ไม่เชื่อถือโตครูคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะครอบครัวเองก็ไม่เอาไหนเนี่ยไม่ใช่เพราะสมัยก่อนนบีนู่ เราจะไปบอกว่าต๊ะครูประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จเอาเกณฑ์ตรงนี้มาวัดไม่ได้ไม่ใช่เกณฑ์ถ้าเราจะบอกว่าครอบครัวไม่เป็นเหมือนกับโต๊ะครูเนี่ยเอาแสดงว่านาบีนุก็ไม่ประสบความสําเร็จน่นสิไม่ใช่นะไม่ใช่เกณฑ์วะนบีนี่เองเไม่รู้จะว่ายังไงละ่ะลูกชายเอ๊ะวะก า, าลรอะไรนะยาบุเนียร์กัมงานะลูกเอย้ยขึ้นมาพร้อมพวกเราเธอ เรียกเนื้อกำลังจะจมอยู่รังร้อล้วเรีย ก, ย ก, ย ก, ย ก, ยกขึ้นมาบนเรือไม่ยอมขึ้นอ๋ะอะไรนะซาอวีอิละจะบลียะซิมูนีเนี่ยสซระฮุดนะตักมากลับไปดูในะโซระฮุดลูกชายกลับตอบไปว่าฉันจะขึ้นภูเขาฉันจะขึ้นภูเขาฉันไม่ขึ้นกับพ่อขนาดลูกแล้วก็ภรรยาด้วยนะภรรยาของนบีนุก็อีกคนหนึ่ง และเอลาฮิลละหละนะอัลลบิลละฮ์มันาถ้าขนาดลูกกับภรรยาเป็นขนาดนี้แล้วลองนึกถึงคนที่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ภรรยาสักฟาลัมยาซิดฮุมดูอาอีอิลลัฟิรอนี่กล่าวว่าเป็นคนบ้ากล่าวว่าเป็นคนวิกลจริตโดยเฉพาะตอนที่มาอตอนที่มาทำเรือบนโบกอะสิ่งที่ชัดเจนมากก็คือว่ากลุ่มชนของท่านนบีนูฮเนี่ยรับไหมฮะ 950ปีไม่กี่คนนัน้นนะตัวเลขเนี่ยวันก่อนที่เราฟังบัญญายของเชคมุมมันอารีฟี่เชฟมุมมันอารีฟี่บอกว่าประมาณหนึ่ง้ยกว่าคน950ปีได้หนึ่ง้กว่าคนเนี่ยถ้าเป็นเราเราจะทำอีกไหม อ, อ่ะฮะถ้าเป็นเราเนี่เราจะสอนอีกไหมเราจะเข้าไปได้ว่าเข้าอีกไหมได้หนึ่งร้อยี่สิบคนทำอะไรได้ لا อิอิลอนี่คือเหมาะแล้วกับการที่อัลลบินุ่งเนี่ยต้องทนอยู่หนึ่งเก้าร้อยห้าสิบปีจึ้งน้องเรียนต่ออัลลอฮ์สุบฮาร์ตอลาว่าฉันทาทุกอย่างแล้วลม Yazidhum فلم Yazidhum دعاء إِلَّا فِرَارَ و َ إ ِ ن ทุกครั้งที่ฉันเชิญชวนพวกเขาเพื่อให้พระองค์นั้นอภัยโทษ กับพวกเขาไอ้ที่เชิญชวนไม่ได้เชิญชวนมาสู่ผลประโยชน์ของตัวเอง mm hmm. เชิญชวนด่าว่าคนอื่นใ ห, ให้อลตะละให้พยโทษบอกเรื่องดีๆไม่ฟังจอัฟาบิอัมฟิอาแิฮมอบก็คือนิ้วแนะเป็นการให้เห็นภาพว่าพวกนี้มันมันไม่เอาจริงๆอะ่ะใส่เข้าไปได้ไหมห้านิ้ว <laughs> นิ้วมัใสไ่ไไม่ได้หรอกแค่นิ้วเดียวมันก็พ อ, อแล้วแต่จะบอกว่านี่มันดื้อด้านมากแล้วะไก็เลยใช้นิ้วหลายนิ้วเลยบอกว่าอัดเข้าไปจริงๆไม่อยากฟังการด่าว่าท่านนาบีนะยะอารุอัสอาบิอัฮุมฟีอาดานิฮิมแค่นั้นไม่พอวัสตังชว์เสียบองคลุมคลุมโปงทำไมฮะไม่ให้นบีนูเห็นจะได้ไม่ต้องมาด่าว ถึงขนาดนั้นเลย سبحان อัลลอฮ์มีคนแบบนี้ด้วยเหรอครับฮะถ้าอัลกุรอานไม่เล่าให้เราฟังอย่างนี้เรานึกภาพออกไหมว่าคนเวลาที่มันไม่เอาสัจธรรมเนี่ยมันเป็นถึงขนาดนี้เลยไม่ฟังอย่ามาพูดกับคูอย่ามาอย่ามาละนีเลยเห็นว่าโอ้มาทางนี้แหละเราเรีบไปทางนี้เลยไม่อยากเจอไม่อยากเจอกับบาบบอ อ่สมัยสมัยเรียนปอนเนาะเป็นยังงีลเวลาบาบอมาทางขวาเราไปทางซ้ายเวลาบาบอขึ้นหน้าสุเราเราลงหลังบาลายอย่างเงี้ยีไมไ่อยากฟังบาบอ่ะไม่อยากฟังต๊ตครูไม่รู้นะว่า ม, มีหรือเปล่านอาจจะมีบ้างคนที่เกเรเกเรหน่อยตอนที่เรายัง ย, ยังเป็นเด็กปอนเนาะที่ไม่ค่อยฟังใครเท่าไหร่เนี่ยก็อาจจะมีบ้างเห็นภาพเลยแต่ว่าของนบีนู่งเนี่ยหนัก นะถึงขนาดนั flying, ้นเลยนะครับเราุบิลละห์มินั่นแหอิศตะชาวศีลพวก็คือคลุมตัวไม่ให้นบีโนเหนเพราะถ้านบีโนเห็นี่จะต้องมาพูดอย่างแน่นอนนะล้อิละฮ์อิละห์ละหดูเอาไว้นะครับว่อัสรุว่าศักบารุศัก bara อย่างเป็นยังงั้นอยู่อัสรุก็คือดื้อด้านว่าศัก a r a ศักแล้วก็เป็นพวกที่ โออวดไม่ยอมโอ้อวดก็คือเสียกับฟูงานตัวเออไม่ยอมรับควา ม, มรจริงไม่ยอมรับความจริงที่ท่านนาบีนุ่งพยายามที่จะด่าว่าพวกเขาซุมม า, าอินนีด่าว่าพวกเจีฮาระยังไม่ยังไม่ยังอธิบายไม่จบนบีนุ่งบอกว่าแล้วฉันก็ด่าว่าพวกเขาด้วยเปิดเผยจีฮาระก็คือต่อหน้าคนต่อหน้าคนเยอะ ฉันก็พูดซึมม์อินนีอัลลัตุลฮุมวะอัสรรตุลฮุมอิสราระนะพูดต่อหน้าคนแล้วก็พูดลับหลังด้วยหมายถึงว่าสองต่อสองวิธีไหนก็ตามที่ฉันวิเคราะห์แล้วว่าบางคนเนี่ยชอบพูดแบบลับๆไม่อยากพูดต่อหน้าคนอื่นฉันก็เข้าไปหาคนอื่นภาษาภาษาของคนทํางานดะวะเขาเรียกว่าอัดดะวะชุลฟ ah ารดิยะการดะวะแบบตัวต่อตั ว, ต ว, ตว อั น, นก็เป็นวิธีการด่าวะอย่างหนึ่งหรือการดว่วะแบบพูดแบบหลายๆคนแบบคนเยอะๆคนที่มารวมตัวกันเยอะๆอันเนี้เขาเรียกว่าอิจฮารอหรือแอลานพูดประกาศไปเลยจะบอกว่าวิธีการด่าวะนี่มันไม่ได้จํากัดอยู่วิธีใดวิธีหนึ่งให้เราดูว่าวิธีไหนที่เราสามารถจะได้ประโยชน์เราคิดว่าสามารถที่จะเกิดผลประโยชน์ต่อาการทํางานด่าวะสามารถทำได้นะครับทั้งแบบประกาศ ทั้งแบบตอนหน้าคนอื่นหรือแบบลับๆแบบวิธีการด่าว่าปฏิญาด่ดาว่าแบบตัวต่อตัวอัววบีนาะเนี่ใช้ทุกสูตรใช้ทุกสูตรเลยทั้งกลางวันกลางคืนทั้งแบบเปิดเผยทั้งแบบตอนหน้าคนหลายคนทั้งแบบลับๆสองต่อสองพูดใช้ทุกสูตรจะบอกว่าการร้องเรียนของท่านอับดุลเนาะเ น, นี่ยมันถึงจุดที่ ไม่รู้จะไม่รู้จะเอาวิธีไหนมาใช้แล้วนะความพยายามทั้งหมดเนี่ยถูกใช้หมดแล้วถึงเวลาที่จะมาเล่ารายงานยกรายงานนำเสนอรายงานวิจัยนะดิเนแ์แดิเนแ์แมามารายงานนำเสนอวิจัยของตัวเองให้กับอล็อกสุภาณธรตาลาแล้วบอกหมดแล้วนี่นะเอ่อเอ่อรีเสิร์ชเมธอดจีนะบอกหมดเลย แมกระบวนการวิจัยของฉันเป็นยังไงใครเรียนวิจัยบ้างแล้วเวลาวิจัยมันจะต้องมีวิธีบวิธีวิจัยใช่ไหมวิธีวิจัยของฉันนะหนึ่งใช้วิธีแบบจิฮาร์สองใช้วิธีแบบแอนแลนด์ใช้วิธีแบบอิสรอดใช้หมดแล้วแล้วผลที่ออกมาบอกหมดเลยรายงานการวิจัยบทที่ห้าบทที่ห้าบทที่ห้านี่เป็นรายงานการวิจัยแล้วแล้วคนที่เป็นคนสอบวิจัยก็รับมา สุขานุลล่าอันนี้น่าศึกษาไหมวิธีการเขาเรียกว่าการด่าวะของท่านนบีนุน่าจะมีคนวิจัยผมว่าน่าจะมีคนวิจัยจะลองกลับไปสืบดูนะครับว่าน่าจะมีคนวิจัยและทําเขียนน่าจะมีปัญญานิปัญญานิพนธ์อะไรสักอย่างหนึ่งละการวิจัยการด่าวะของท่านนบีนุเพราท่านนบีนุใช้กระบวนการยังไงในการด่าวะ บางทีถ้าเราไปอ่านเราได้ข้อสรุปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะทํางานดา่าวะในยุคปัจจุบันได้นะครับจะบอกว่าเรื่องราวของท่านนาบีนุ่มเนี่ยสามารถที่จะเอามาเป็นวิจัยได้เรื่องหนึ่งเฉพาะแล็บแล้วลสามารถจะขยายต่อหลายด้านนะครับหลายๆมุมหลายหลายแง่มุมว่าครอบครัวของคนทํางานดา่าวะเป็นยังไงคนต่อต้านเป็นยังไงกระบวนการที่จะไปพูดกับคนที่ทําชีริกเป็นยังไงเนี่ยมันมีอยู่ใน เรื่องราวเรื่องเล่าของน บ, บีคนนี้ซึ่งมันน่าสนใจมากอเนี่ยเฉพาะคนที่เขาเรียกว่าเรียนเฉพาะด้านโดยเฉพาะคนที่เรียนเฉพาะด้านวิชาดะวะเนี่ยบ้านเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูบ้านเราเนี่ดะวะเนี่ยเราคุ้นหูกับสิสิบวันดะวะสิสิบวันนะฮะดะวะ tablet แต่ในโลกเทว่าโลกการศึกษาเนี่ยวิชาดะวะเนี่ยมันไม่ใช่แค่รายวิชา ในเมืองไทยตอนนี้นะครับยังไม่มีคณะด่าวะยังไม่มีคณะในมหาวิทยาลัยนี่ยังไม่มีมันก็เลยทำให้องค์ความรู้ในการทางานด่าวะในประเทศเราในบ้านเราเนี่ยมันไม่สุกงอมนั่นแหละแตใครอยากจะทำยังไงก็ทำไปโดยที่ไม่ได้มีการเรียนเลย Wahshu sedihkan dakwah penyengai nabi nuh dakwah yangengai nabi ibrahim dakwah yangengai, lebihnya katakan nabi muhammad. Konon rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah yangengai ni, kita tak jadi. Tahu lah. Dakwah. Tamp. Tampi. Kita. Kita. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. Dakwah ni. d a k w a w a h Dakwah ni. d a ni. d a d a k ni. d a k a h n ni. a h n a h h a d a i d a ni. a k a ni. d ni. d a d a k ni. a มันจะต้องมีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างหลักๆเลยอิบาดัด ท, ทุกอย่างจะต้องมีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างนี้คือละหมาด ก, ก็เหมือนกันการถือสินอดก็เหมือนกันซึ่งเป็นอิบะดัดหมดเลยจะต้องมีเงื่อนไขเงื่อนไขนี้อยู่สองอย่างถ้าไม่มีเงื่อนไขนี้ใช้ไม่ได้หนึ่งคือเงื่อนไขของการทำอิบะดัดการอิคลา ส, สต่ออัลลอฮ์สุบฮานาอัลลอฮละทํ า, ท า, ทาเพื่ออัลลอฮ์เงื่นอนไขข้อที่สองคือการ ที่บ้างการทำตามสุนนะการทำตามวิถีทางของท่าน ر س و ุลลอฮสลลัลลอฮสันละและมาดเราอิคลาสเราอิตติบะเราทำตามนาบีถือศีลอดเราอิคลาสเราทำตามนาบีแล้วทำไมเวลาที่เราจะไปดะะ่าวเราอิคลาสแต่เราไม่ตามตามนาบไมีไปไม่ได้เวลาจะดะวะ่าวก็ต้องทำนบีเหมือนกัน น บ, บีดะอวะยังไงน บ, บีนู่นดะอวะยังไงนะที่มันไม่ได้ขัดกันเการดะอวะเนี่ยมันเป็นอะไรท่ก้างมากเราไม่ได้เรียนว่าวิธีการของการของบรรดานาบีเขาดะอวะเพราะองค์ความรู้เรื่องเรื่องการดะอวะบ้านเรามันไม่มีถึงระดับที่ว่าใช้สอนในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมหาวิทยาลัยมันจะนอนอยู่แล้วมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็นมหาวิทยาลัยอิสลามมีอยู่แค่แห่งเดียวเท่านั้น แห่งแรกและแค่แห่งเดียวมหาวิทยาลัยฟอน์ตนั่นก็ยังไม่มีคณะดาวะยังไม่มีครับอย่าว่าแต่คณะเลยสาขาดาวะก็ยังไม่มีนี่เป็นแสดงให้เห็นถึงความอ่อนอ่อนแอของเราเองถ้าเราไปดูในประเทศอาหรับทุกประเทศจะต้องมีคณะดาวะเขาเรียนเรื่องนี้เฉพาะเลยเรียนเรื่องราละเอียดมาก นะฮะตั้งแต่ประวัติการด่าวะเครื่องมือการด่าวะวิธีการด่าวะแล้วก็มีการวิจัยเนี่ยการวิจัยทั้งปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยมีหนังสือที่วิจัยเกี่ยวกับงานด่าวะเนี่ยเป็นเป็นเป็นเป็นเปออคันนี้ก็อะไรนะหมวดเป็นหมวดหนึ่งของห้องสมุดไม่ใช่มุมหนึ่งนะหมวดหมวดหนึ่งของห้องสมุด กันด่าวะคนที่ชิริกจะด่วาวะยังไงกันด่าวะคนที่ทัมบิดะฮ์จะด่วาวะยังไงการด่วาวะคริสเตียนจะด่าวะยังไงกันด่าวอยูจะด่ว า, uh, าดวะยังไงนี่พูดมบทอนนั่นแหละที่คนอาหรับจึงมีความสุขงอมเขามีองค์ความรู้เยอะแตเราเนี่ยเรายังยังมีความองค์ความรู้ในเรื่องการด่วาวะน้อยมากเราต้องต้องผลิตบุลคลากรที่สามารถเอาองค์ความรู้ต่างๆในโลกด่วาวะเนี่ย โรคอาราบที่เขาพูดถึงเนี่ยให้มาเยอะๆมากกว่านี้จะได้เข้าใจจริงๆแล้วถ้าเราเรียนกันอย่างงี้นนะในประเทศอาราบนี่เขาจะมีการเขาเรียกว่าอบรมระยะสั้นสําหรับการเป็นดเอทุกคนที่นั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเป็นดเอทได้ถ้าผ่านการอบรมเหมือนเวลาที่เขาอบรมอยี่ยอะไรอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พวกเราก็อบรมได้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไรอบรมเสร็จสองวันกลับมาใช้คอมพิวเตอร์ได้ เหมือนกันเลยอบรมดาวาสองวันจะด่าวะยังไงมีวิธีการด่าวะยังไงก็สามารถจะดาวะได้แต่ว่านะฮะอิชลอ์อนาคตคงจะมีถ้าเรามีคณะด่าวาหรือสาขาวิชาดาวะต่อไปในอนาคตเนี่ยดอาาช่วยกันขอดอาเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของนบีนุนนบีน eh ุนด่าวะอย่างไเรื่องราวของนบีอิบรอฮมซึ่งมันม <uh ีอยู่ในอัลกุรอานหมดเลยนบีอิบรอฮมด่าวอย่างไงนบีอิสฮะ่าอย่างไงและนบีมุ m m a d สัลลัลลอฮุอะลามด่าวะอย่างไง Maksudnya kan, Abu Bakar dakwah yang ngai, Umar dakwah yang ngai, Usman dakwah yang ngai, Ali dakwah yang ngai, Khalifah hangat jangkat hingga hingga zaman Usman ni ya, dakwah yang ngai, atau dakwah dalam zaman Andalus, dakwah yang ngai, itu akan ada. Wijan ini, kalau di dalam negeri, kalau di dalam negeri, kalau di dalam negeri, kalau di dalam negeri, kalau n i n i k a l a n n a i k a n a k d a l a m n a i d a l i k a d a l k a u d a r i k i d a l n i k a l a r i k a u d dalam n r a l a u i d a l การทำงานดาวยกมาตั้งแต่ยุคอดามมาจนถึงยุคปัจจุบันของเราเลยัลลอฮ่าละแลอฟกันัลลอฮฺอียาคุมิมาิบอาร์ดะฮ์ซลลัลลอฮะนบีน้ามุฮัมมัดอลลฮฮะซัลลัมุบฮานะรบบิะรบบิล ي ز อัลฟนวสลามัลลมุลิ و ا ل ح م ا ل ل ه